ฟังธรรมกันตามสบายพวกญาติโยมบางคนก็รู้จักธรรมาใน Facebook พราะธรเป็นคนที่เผยแพร่ธรรมะข้อคิดข้อเขียนค่ะทันๆั้นแต่ก็ไม่เคยได้ฟังธรรมะจากเจ้าตัววันนี้เป็นครั้งแรกพวกโยมเป็นเจ้าที่จากสนาสุขจิตอาสาอันมาก็เห็นว่าวันนี้ควรจะพูดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับบุญเพราะว่าเรื่องบุญเนี่ยบางคนเข้าใจผิดมากคือทําบุญอาจจะได้ไม่ไม่ได้บุญดังที่ครัวเน่ยคืออาจจะได้น้อย บุญมีมีทั้งสิบวิธีแต่บุญหมวดใหญ่ก็มีการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแต่มันแตกย่อยมาได้บุญข้อที่หนึ่งการให้ทานชาวพุทธเนี่ยก็มีพื้นฐานการทําบุญก็คือตักบาตรตักบาตรแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากจากภัยต่างๆ เช้นน้ำท่วมแผดดินไหวไฟไหม้ช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือเด็กยากไร้อันนี้ก็เป็นการทำบุญเพราะว่าคนการทำบุญข้อเ น, นี้เป็นการลดละความเห็นแก่ตัวอันนี้มีอันที่ส่งในชาตินี้ทันทีแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เหนียวไม่อยากทำบุญเนี่ยเราก็มีอันี่ส่งในชาตินี้เหมือนกันอาจจะไม่ไม่มีคนชอบเราเพราะจะมีหลังสีของความไม่เมตตาความขี้เหนียวออกมา ถ้าคนที่ใจดีนะจะมีคนรักมีคนชื่นชมอันนี้คือบุญให้ผลน่ไปที่ไหนก็มีความสุขไม่มีคนเกลียดนนบุญข้อนี้ริงทำได้จุดประสงค์ก็คือการลดความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เราทำบุญร้อยสองร้อยเราอยากถูกลอตเตอรีอ่เราที่หนึ่งหรืออธิษฐานจิตขออยู่สวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้อันนี้ก็เป็นการค้ากำไรเกินควรไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การทาบุญหรือการให้ทาน องางการให้านก็ต้องตั้งจิตคือทำเพื่อลดความตณีลดความเห็นแก่ตัวนะกรมีคนแต่งไว้ควรบำเพ็ญทานซึ่งการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามตฐานหนึ่งให้ของสองธรรมะชนะมารอาภัยทานที่สางามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของอเขาไม่เข้าที เสียศักดิ์ศรีคนชังลังเกียรตเราสองฐานะวิจัยให้เหตแจ้งอย่าเครือบแคงกังขาอย่างโง่เขาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจงเรื่องเอาอย่างไหนคิดให้ดีให้เป็นผู้ให้ดีกว่านะครับมีความสุขให้แล้วแล้วมาบุญข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลที่เราขาดไม่ได้คือศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักของเขาไม่ประพฤติผิดในการม ไม่โกหกไม่เสพสิ่งเสพติดเช่นสุราอะไรมุกต่างๆอย่างสิ่งข้อแรกเนี่ยถ้าเรารักษาได้นะเราไม่เปีย น, นชีวิตสัตว์อื่นเนี่ยก็เป็นหลักประกันชีวิตทําให้เราเนี่ยมีความสุขด้วยมีเปนิี่ส่งมาก็คือทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยอาจจะมีอายุยืนเราไม่เปลี่ยนเขาเขาไม่ไม่เปลียนเราอันนี้อันนี้เป็นที่สงเป็นหลักประการชีวิตวสิ่ส ง, ข, ข, จจ ข, ข, นนงข้อที่สองเราไม่ลักของเขา คนอื่นก็ไม่เข้าไปรักของเราอันนี้เป็นหลักประกันทรัพย์สินสินข้อที่สามเราไม่ไปพาคของรักหรือไปยุ่งกับภรรยาสามีคนอื่นคนอื่นเข้ามายุ่งกับเราอันนี้เป็นหลักประกา ร, ร, 3, ราาคอรอบครัวทําให้ครอบครัวอยู่กันผาสุขสินข้อที่สี่นะสำคัญนะส่วนมากคนจะมองข้ามสินข้อมุสาที่โลกเราได้วุ่นวายเพราะคนไม่รักษาสินข้อนี้แหละแม้แต่พักยังไม่รักษาเลยรักษายากข้อนี้ ถ้ารักษากันหมดนะสังคมนั้นก็อยู่กันผาสุขไม่โกหกเนี่ยเพราะคนเราโดยตัวนิสัยแล้วกิเลสไม่อชอบโกหกโกหกเปนชินข้อนี้รักษายากถ้ารักษาก็คือเป็นหลักประกันสังคมสินข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราสิ่งติดเนี่ยสินข้อนี้ถ้ารักษาได้ก็เป็นหลักประกันสุขภาพไม่ต้องไปหาหมอบ่อยสุขภาพเราก็ดีสินข้อห้าเนี่ย หข้อเนี่ยพวกเราก็ต้องรักษามองข้ามไม่ได้ถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ศีลแปด ก, ก็ดีเป็นการทําให้ชีวิตการไปอยู่ง่ายขึ้นมาบุญข้อที่สามบุญสําเร็จจากการภาวนาบุญข้อที่พวกญาติโยมก็ทําอยู่มาวัดมาปฏิบัติธรรมอย่างเมื่อวานพระอาจารย์ปี่สานก็พาพวกโยมเดินจงกรมรอบสระการภาวนาจะทํายากกว่าการให้ทานการรักษาศีล เพราะว่าสองข้อแรกเนี่ยชาวพุทธเราทําเป็นประจำอยู่แล้วทําง่ายกว่าเพราะการภาวนาเนี่ยการเจริญสติสร้างความสุขตัวเป็นการสวดกระแสพอเดิลึกๆแล้วกิเลสมันไม่ให้ทําหรอกยกสังเกตไหมบางทีเรายกมือยกไม่ขึ้นในวยซ้ำหรือนั่งสบาธิก็หลับมันไม่ใช่ของง่ายอะคนไม่มีอุปนิสัยเนี่ยมันคล้ายๆมันไปขัดขวางความคิดที่ทํางานไม่ถนัดความคิดบางทีมันก็ไม่ร่วมมือด้วยมันก็แกล้ง คือยกมือไปไม่กี่ทีก็ง่วงอยากกัหลับอย่างเดียวเลยนั่งสมาธิก็หลับฝันหวานเลยบป๊บเดียวทั้งคนที่ยกมือแล้วไหลลื่นหรือนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงยังหายากหรือนั่งสองชั่วโมงเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการแบบส่วนกระแสถึงจะทําได้อันที่ต้องมีวินัยพิเศษเพราะว่าอนามัเห็นกอที่โรงพยาบาลนะเขาก็เขียนไว้ว่าทรัพย์สมบัติส่งถึง โรงพยาบาลยาพี่น้องส่งถึงเมนหรือหลุมฝังศพ บ, บุญบาปส่งถึงชาติหน้าภาวนาส่งถึงนิพพานให้บุญข้อภาวนาจึงสำคัญมากเป็นบุญที่มองข้ามไม่ได้เลยเพราะว่าจะลดกิเลสทำให้รู้จักตัวเองก็ต้องมาหัดภาวนาถ้าเราไม่มาภาวนาเราก็อยู่ใต้อำนาจของความคิดปรุงแต่งความคิดสั่งให้เราทาอะไรเราก็ทาตามมัน แล้วข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่พาวนานะอารมณ์ออกหน้าเนี่ยดูสังเกตไหมคนที่ติดคุกติดจารางเนี่ยเพราะอารมณ์ออกหน้างั้นเลยอารมณ์ออกหน้าเหตุผลตามหลังส่วนมากก็อยู่ติดคุกติดจารางเบียดเบียนตนเองและเบียดเบีนคนอื่นทําไปสังคมบุ่นวายแต่ถ้าเราเริ่มมารู้จักตนเองปุ๊บเราก็จะไม่ปิดเป็นคนตัวเองไม่เบีดเบีนคนอื่นแล้วจะเริ่มมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกัน การภาวนาจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นฝึกฝนถึงโยมออกจากคอสไปแล้วอยู่บ้านก็ต้องหัดไหว้พระสวดมนต์หัดภาวนาอันนี้เป็นผลดีกับตัวเราเองทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบอ่อนโยนไม่ทำตามอารมณ์ตัวเองก็ทำให้เราทุกข์น้อยลงด้วยแล้วมาบุญข้อที่สี่บุญสำเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนข้อนี้ก็มองผ่านไม่ได้นะบางคนเนี่ย มีความรู้ท่วมหัวแต่ชีวิตล้มเหลวมีแต่คนเกียดชังก็มีหรือคนร่ํารวยมีคนเกียจก็มีผิดกับบางคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่คนรักมีคนช่วยเหลือตลอดเรามาเจอคนมาหลายคนนะบางคนมีความรู้อวดเก่งแล้วก็ล่วงเกินคนรู้คนนี้ชีวิตก็ล้มเหลวอ่ะมีแต่คนเหนีขี้หน้าทะเลาะบบาแวงประจำพี่จะคนบางคนใจดีอ่อนน้อม พูดจาก็ไม่ร่วมเกินใครอันนี้มีแต่คนช่วยตลอดชีวิตก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองพี่แต่คนที่ดือ้อถ้าเป็นพระนี่ก็หาวัดอยู่ยากไปอยู่ไหนก็โดนเขาไล่เป็นโยมทํางานตามที่ต่างๆก็โดนไล่ออกเพราะเดี๋ยวไปทะเลาะกับเพื่อนโรงงานบ้างหรือไม่ก็ขัดคําสั่งเจ้านายบ้างชีวิตก็อยู่ยากอ่ะเพื่ออะไรใจตัวเองมีทาาอยู่เรื่องหนึ่งมีเรืออยู่ลำหนึ่งกําลังจะข้ามฟากไป อีกฝั่งหนึ่งระหว่างที่ข้ามนั้นชายเจ้าเรืออายุประมาณห้าสิบกว่าแล้วก็มีชายหนุ่มนักศึกษาผู้คงแก่เรียนล่างอยู่ด้วยขณะนั้นฟ้าก็มืดไปหมดอ่น้ําก็เลย่กระชอกรุนแรงขึ้นลุงคนเจ้าเรือก็พายระหว่างมา ก, พกเพราะกลัวเรือจะเรือจะล่มหรือเรือจะคว่ำเพราะคลื่นเริ่มแรงเริ่มแรงนักศึกษาก็ก้มหน้ากลมตาอ่านตำราอยู่หนุ่มนักศึกษาก็เอ่ยปากขึ้นมาว่า ลุงลุงรู้จักประวัติศาสตร์ปะเคยเรียนประวัติศาสตร์ัหยลุงก็บอกไม่เคยเลยผมไม่เคยเรียนหนังสือจึงไม่รู้ประวัติศาสตร์นะ่ะทำให้เราเนี่ยรู้ขนบประเพณีธรรมเนียมในอดีตของพระราชาหรือการใช้ชีวิตของคนต่างๆทั่วโลกว่าเขาใช้ชีวิตยังไงลุงไม่รู้ก็แย่เลยน่าเสียดายช้หนุก็ ไปสักพักหนึ่งเหลือก็แจวต่อไปสักพักหนึ่งชายหนุ่มก็พูดขึ้นไปอีกลุงรู้จักภูมิศาสตร์ไหมไม่รู้หรอกพระหนุ่มแย่เลยลุงภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้รู้สภาพแม่น้ำภูเขาทินฟ้าอากาศของประเทศต่างๆทั่วโลกถ้าลุงไม่รู้นี่น่าเสียดายนะ แล้วก็เงียบสักพักหนึ่งตอนนี้เรือก็พายมาถึงกลางแม่น้ําแล้วชายหนุ่มก็เอ่ยปากขึ้นมาอกีกลุงรู้จักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้หรอกพ่อหนุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทําให้คนเนี่ยรู้จักเหตุรู้จักผลสามารถพัฒนาเทโนโรยีต่างๆทําให้เราสะดวกสบายขึ้นลุงเนี่ยไม่รู้วิทยาศาสตร์แย่เลยชีวิตลุงเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรเลย ชายคนเจ้าเรือก็ไม่ว่าอะไรก็พายเรือต่อไประหว่างนั้นเมฆกกเริ่มดำมากขึ้นมากขึ้นคนเจ้าเรือก็กชี้ไปเมฆให้ชายหนุ่มดูเพราะหนุ่มดูเมฆสิตอนนี้คงเกิดพายุฝนแน่ว่ายน้าเป็นไหมชายหนุ่มก็บอกไม่เป็นหรอกลุงอ้าวไม่เป็นได้ยังไงไหนคุยดักคุยหนาเมื่อจะเป็นประวัติศาสตร์ภูมิศาสต์วิยทยาศาสตร์ ทำไมไม่หัดว่ายน้ำตอนนี้ชีวิตของพ่อหนุ่มไม่มีค่าเลยเลยนะจะบอกให้ตอนนี้ชายหนุ่มกลัวมากแ ล, แล้วสิ่งที่กลัวก็เป็นจริงฝนฟ้าเทลงมาคลื่นก็แรงซัดเอาเรือล่มชายชลาก็สามารถว่ายน้ำข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภยัยส่วนหนุ่มที่คุยก็จมน้ําตายตามระเบียบอันนี้คือการที่เขาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่า คนเจริญเลยคงช่วยชีวิตไว้ฮะเราก็ต้องเคารพผู้ใหญ่เคารพผู้ที่ผ่านลาตีการมานานให้เกียรติท่านถึงเราจะอายุมากกว่าบางทีเราต้องให้เกียรติน้องๆที่อายุน้อยกว่าเราการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นผู้น้อยให้เกียรติผู้ใหญ่เสมอไปผู้ใหญ่ก็ต้องให้เกียรติผู้น้อยด้วยเราก็อยู่ก็นอย่งผาสุกช่วยเหลือขึ้นกันและกันอันนี้บุญข้อนี้ไม่ควรมองข้ามบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมสมตนมาบุญข้อที่ห้า บุญสำเร็จจากการช่วยเหลือขนขวายบุนข้อนี้ก็ทํากันง่ายอย่างพวกญาติญาติโยมมาวัดหลังจากทานอาหารเสร็จช่วยกันกวาดถูสาราช่วยล้างจานให้วัดช่วยล้างห้องน้ําถ้าทําแบบจิตอาสานะถับด้วยความเต็มใจอันนี้ได้บุญเพราะบุญเนี่ยจะต้องเกิดจากจากความตั้งใจแต่ถ้าเกิดเราทําแบบทําไปมีความรู้สึกว่าเออคนนั้นไม่เห็นช่วยเราเลยเอาเปรียบเรา อันนี้ม่เป็นบุญแล้วสมมติเราฝาดใบไม้แต่คนอื่นไม่ฝาดเลยเราฝาดอยู่คนเดียวแหละหรือเก็บขยะหรือทําอะไรแล้วแต่คนอื่นไม่ช่วยเราเลยถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้เราผิดผิดแล้วเราก็ต้องวางใจว่าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็พอใจสิ่งเราทําทําไปเราก็มีความสุขไปอันนี้เราจะได้บุญมากมีเรื่องเปรียบเทียบมีช่างอีกอยู่สามคนกําลังก่ออีกกันอยู่ช่างอีกคน น, นึง ก็ออิดไปได้บิ๊กกีก้อนก็พักรู้สึกเหนื่อยมากเลยพักไปคู่ใหญ่ก็มาก่อใหม่เป็นอยู่อย่างเนี้ยช่างอีกคนที่สองขยันกว่าคนแรกแต่ก็ชอบมองมาที่นายกกาอยู่เสมอช่างอีกคนที่สามก็ออกด้วยความสุขแบบขมักขาเบ็นทาแบบทำไปร้องเพลงไปคือลุยเต็มที่เลยก็เลยไปถามช่างอีกคนแรก ว่ากาลังทาําอะไรอยู่ช่างอีกก็บอกว่ากอ่ออิฐครับไปถามช่างอีกคนที่สองว่าทาอะไรก็บอกว่ากอ่อําแพงไปถามช่างอีกคนที่สามว่าทาอะไรผมกําลังสร้างวัดครับสามคนที่ความคิดต่างกันนะคนที่สร้างวัดแต่ทําเต็มที่เลยไม่ได้สนใจเรื่องค่าจ้างคนแรกก็ทํางานหวังค่าจ้างคนที่สองก็ดีขึ้นมาหน่อยเพราะงานทุกชนิดเนี่ยถ้าเราทําแบบไม่ถามว่าทําแล้วฉันจะได้อะไร อันนี้คือความสุขแต่ถ้าตตอบตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนอันเนี้ ช, ชักมีปัญหาล้วมันทําไม่ได้มากอะ่ะถ้าคนทําแล้วไม่หวังผลตอบแทนมันทาได้มากคะทําเพื่อคนอื่นไม่เห็นกค่ตัวจะทํางานได้มากกว่ า, าจิตอาสาเนี่ยก็คือมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นกค่ตัวแต่ถ้าพวกเห็นกค่ตัวนี่ก็มีอยู่เยอะนะชีวิตเขาไม่ค่อยมีความสุขหรอก คือเวลาเขาเดือดร้อนก็มีใครอยากช่วยเป็นกันเพราะว่าเราทํำยังไงเราก็ได้อย่างนั้นเราช่วยผู้อื่นผู้อื่นก็รีบช่วยเราอย่างที่เราเจ็บป่วยอย่างที่เราเดือดร้อนแต่เราไม่ช่วยใครคนอื่นเขาไม่อยากจะช่วยเราไม่ว่าจะเป็นงานทุกชนิดแหละอันนี้สามารถเห็นได้ในชาตินี้อันนี้บุญเกิดจากการช่วยเหลือขนขวายมาบุญข้อที่6บุญข้อนี้ก็คืออุทิศแผ่กุศลไปให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหรือแบ่ง ชักชวนให้คนทำความดีหรือแบ่งบุญแบ่งแบ่งปันความดีอย่างข้อดีพวกญาติโยมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้ที่ล่วงลับเจ้ากรรมในเวรพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือคนที่เรารู้จักก็ส่งเคาะในบุญข้อดีหรือชักชวนให้คนอื่นมาร่วมทําบุญทําทานชักชวนคนอื่นให้มาทําช่วยทํางานก็อยู่ในบุญข้อดี้นะ แ, แบ่งปันบุญแบ่งปันความสุขและบุญข้อที่7 บุญข้อนี้ก็คืออนุโมทนาบุญข้อนิทําง่ายโยมเห็นใครทําความดีแล้วก็สาธุเห็นใครตักบาตรแล้วก็สาธุเห็นใครถวายสังฆาแล้วก็สาธุเห็นใครทําประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วสาธุบทก็ทําให้เราได้บุญเหมือนคนที่ทำไปแหละแต่ถ้าเราตั้งจิตผิดเห็นใครทําบุญแล้วก็หมั่นไส้อันนี้ทําบุญเอาหน้าหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้บุญนะได้บาปด้วยเพราะว่าอันนี้วางจิตไว้วางใจไว้ผิด บุญจึงทําง่ายถ้าเราทําเป็นเห็นใครทำดีก็สาธุหมดไม่ต้องลงทุนอะไรเล ย, แ ล, ยแล้วทำใบบอร์จิตเราก็จะอ่อนโยนเป็นคนที่ว่าทําบุญได้ง่ายทําบาปได้ยากมาบุญข้อที่แปดบุญจากการฟังธรรมตอนนี้พวกโยมกําลังฟังอนามาอยู่ถ้าโยมฟังแบบตั้งใจอยู่ได้บุญแต่ถ้าโยมฟังแล้วหลับเบื่อว่าเมื่ อ, อไหรผู้พู ด, พดมันจะเลิกกันทีอันนี้โยมก็ไม่ได้บุญอันที่สอของการฟังธรรมเนี่ยมีมีห้าอย่าง ทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็จะทําให้เข้าใจยิ่งขึ้นและทําให้หายสงสยัยทําให้ขาะที่ฟังเนี่ยจิตพองใสคีเลศนิวรณ์ต่างๆไม่เข้ามารบกวนแล้วก็ทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องอาจจะไม่เคยเชื่อเรื่องบุญเรือบาปพอมาฟังแล้วเกิดคิดได้ว่าบุญบาปมีจริงการตั้งจิตไว้ผิดมีโทษอย่างไร เพราะงั้นบุญข้อนี้จะมีนิสงถ้าโยมตั้งใจฟังอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีใครมาเทศนะเขาจะเขาจะระวังมากเลยเขาจะให้พระคนเทศนะขึ้นธรรมาทแล้วก็ไม่ให้รบกวนคนเทศก็ถือเป็นบาปมากเลยสมมุติรบกวนสมาธิผู้เทศเขาถือว่าบีบาปแต่ถ้าเราตั้งใจให้เป็นตั้งใจเป็นแล้อย่ารบกวนผู้เทศให้ผู้เทศเนี่ยพูดให้ไหลลื่นเพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุดไอ้นคนโบราณก็าถือนะแต่บางคนบางคนอ่จจะไม่รู้อยาสายหลว่าเทียนเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ผู้เทศ นั่งใกล้ๆเนี่ยบางทีพูเ ด, ดพูดพูดไปว่ายกมือไปอย่างเงี้ยตัดความคิดผู้เทศอันนี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมได้เพราะว่าสายหลวงพ่อเทียนจะไม่รู้เรื่องนี้นะเพราะสายสมาธินี่เขาเขาระวังตัวนี้มากเลยต้องไม่ลบ ก, กวัวนสมาธิคนเทศแล้วก็ต้องตั้งใจฟังเพราะตั้งใจฟังได้บุญเพราะว่าการฟังธรรมเพื่อเกิดปัญญาคือผู้พูดก็ต้องไปหาข้อมูลมาพูดผู้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังที่ว่าตัวเองไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะแต่ละคนนี่ยจะมีวิธีพูดไม่เหมือนกัน อย่างในวัดเนี่ยอตาตมาก็ลดเหทตัวเองนะเราจะพูดในเรื่องที่ใกล้ใกล้กลเคียงกับชีวิตประจวบของโยมมากที่สุดเราจะไม่พูดเรื่องไกลๆเรื่องเหล่าเตงเรื่องมรคนิพพานเรื่องที่สัมผัสยากาบางทีคนพูดพูดอีกอย่างหนึ่งคนฟังต่อไม่ติดรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยอันมาพยายามร่วมเดินทางไปกับโยมจนกว่าจบครึ่งชั่วโมงคือแบบให้ใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันมากที่สุดคือผู้พูดกับผู้ผู้ฟังเราเดินทางไปด้วยกันเราจะไม่พูดเรื่องที่ ที่ไกลหรือยะทยากหรือสูงเกินไปเพราะเดี๋ยวโยมก็กลับบ้านมาอยู่ครอบครัวแล้วก็จําสิ่ง ด, ดีกลับไปและมาบุญข่อยก้าบุญจะเกิดจากการแสดงธรรมการแสดงธรรมไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระแสดงเท่านั้นแม้แต่ญาติโยมก็แสงได้อย่างบางทีโยมไปเจอคนที่เขากําลังมีปัญหาชีวิตกําลังทุกข์อยากระบายเรายอมทนฟังเขาพูดสักครึ่งชัวงช่วโมงชั่วโมงหนึงอะ โดยที่เราไม่พูดนะเราเอ อ, เ อ, อไป อ, อันนี้ได้บุญนะพอคนที่เขาพูดเขาปลดปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาก็หายทุกข์รเราก็ได้เพื่อนขึ้นมาอีกหนึ่งคนด้วยแต่ถ้าเราไปเปรียด เ, เขาลังเกียจลังคาญหรือหนีไปอะ่ะเราก็ไม่ช่วยเขาหรือคนกนระลอกหกักขาดได้พึ่งเราก็พู ด, พ, ดพูดปลอบใจเขาคนทําตังค์หายเราก็สามารถพูดปลอบใจเขาได้คนหมดกำลังใจสู้ชีวิตท้อแท้เราก็พูดให้กําลังใจเขา อันนี้คือการแสดงธรรมเพราะบางทีเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นคนอื่นเรามองเห็นนะคนที่เป็นเส้นผมบางภูเขาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเองแต่เรามองไม่เห็นหรอกบางทีต้องให้คนอื่นเขาดึงหรือช่วยให้เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยพระเราก็พูดได้บอกญาติโยมว่าปล่อยวางเวลาคนรักตายพ่อแม่ตายอย่าร้องไห้อย่าเสียใจนะแต่ถ้าเกิดขึ้นตัวเองอ่ะพระที่ไม่เคยฝึกก็จะร้องไห้เสียใจเหมือนกันหรือของหายคือเราสอนคนอื่นได้ แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราเราจะทาไงปัญหานี้ท่านทุกคนแสดงทําได้หมดเมื่อเจ็นพระเป็นโยมแสดงทดํา่ยแบบ่ถึงว่าบางทีก็เราก็แนะนำครูบาอาจารย์ให้เขาเกิดปัญญาว่าไปวัดที่สมาธิินะอย่าไปวัดที่งมงายวัดปลกวัดเสกวัดที่หลอกลวงเงินเราเราไปวัดที่สอนให้สอนทํามให้เกิดปัญญาไม่ทาให้เรางมงายที่สอนแนะนำให้ไปได้แนะนำที่ครูบาอาจารย์ดี สถานที่ดีหรือแม่กระแจงหนังสือธรรมะเราไม่พูดเราไม่จำเป็นต้องเทศหรอกแล้วก็เห็นว่าเพื่อนคนนี้มียยนิสัยงี้นะแล้วก็แห้งหนังสือธรรมะไปให้เขาอ่านบาที่อ่านไปมาอาจจะปิ้งขึ้นมาก็ได้อาจจะกลับเปลี่ยนนิสัยเป็นคนใหม่ก็ได้หรือพ่อแม่เราล้วก็หาอุบายพาท่านไปวัดไปฟังธรรมก็ได้ท่านอย่าเปลี่ยนนิสัยก็ได้อันนี้ก็มีนิสงมากเป็นการแสดงธรรมเหมือนกันพระบุญข้อที่สิบบุญข้อที่สําคัญทําความเห็นให้ถูกต้อง เพราะว่าการทำฟาร์มเห็นถูกต้องเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำบุญได้ผลทุกข้อเลยแต่ถ้าเราทำฟคร์มเห็นผิดเนี่ยบุญก็กระพองกระแพ่งทำไปอ น, นิสงส์งก็ไม่มากทำให้เราเนี่ยรู้จักการปล่อยการวางการยึดการแบกรู้จักกิเลสถ้าเราจะจับโจรเราก็ต้องรู้จักโจรรู้ที่สายโจรว่าโจรเป็นยังไงแต่เราไม่รู้จักกิเลสเลยเนี่ยเราจะไปจับเขาได้ยังไง อย่างโยก็ต้องรู้จักนิสัยตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้ฉาบไหมเป็นคนโลภไหมเป็นคนหลงไหมเป็นคนขี้โกรธไหมเป็นคนชอบเปรียบเทียบไหมนิสัยบางอย่างเนี่ยที่ไม่ดีของเราเนี่ยเราจะหมกมัดเอาไว้ปิดกั้นไว้เรากิเลสมันจะหลอกให้เราเนี่ยไปรู้นิสัยไม่ดีคนอื่นคือจิตทรงออกหาคนยากนะที่จะบอกว่าตัวเองไม่ดีแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธามารีธรรมะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความไม่ดีขอตัวเองว่าเราไม่ดีนะ แล้วเราก็เห็นควไม่ดีคนอื่นด้วยแต่สิ่งเราแก้ไขไดนะ้คืแก้ไขตัวเราเองคนอื่นเราแก้ไขเข า, ขาไม่ได้หรอกเพราะทุกคนก็มีกรรมเหมือนกันหมดเพราะว่ากรรมมันก็บังไว้ทําบ่อยๆมันก็เคยชินคนโชคดีมากเลยที่มีคนชีนแ้แนะให้เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแต่อันนี้ก็ต้องเริ่มรู้จักตัวเองก่อนแต่ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองนะบางครั้งเนี่ยอย่างสมมุติอา่าวเราเป็นคนปากเหม็นมีกลิ่นปาก ถ้าไม่มีใครกล้าบอกเราก็ต้องปากเหม็นตลอดชีวิตแหละถ้ามีเพื่อนมาบอกปุ๊บเอาเราก็เริ่มแปลงฟันเริ่มใช้น้ำยาบวนปากหรือไม่กินตัวเหม็นเอาถ้าเพื่อนไม่มาบอกเราหรือคนไม่กล้าทักทวงเราก็ต้องเหม็นตลอดชีวิตอะหรือสวดมนต์ผิดถ้าไม่มีคนมาชี้แนะเราเรก็สวดผิดตลอดชีวิตเมื่อก่อนมีหลวงตายอยู่คนหนึ่งท่านแม่อาบนะ้ำมาตั้งหลายปีนักติดกรรมานี่แหละอยู่วัดนี้แหละตอนที่ฉันศึกไปแล้วท่านใช้เอ็มอับ ขึ้นมาเนี่เหม็นตลบตลบอ้วนหมดเลยแล้วท่านก็ใครก็ว่าท่านไม่ได้เลยนะเป็นกรรมรวม่วมเราก็ต้องทนเหม็นไปคือท่านไม่รู้ตัวท่านว่าเอ็มหอมยมนึกภาพบางคนไม่อาบน้ำมัหลายปีอ่ะกลิ่นมันจะขนาดไหนอันนี้ก็ต้องเป็นกรรมไปไปที่ไหนใครก็รังเกียจมีใครอยากคุยท่านแต่หลวงแต่พระแก่บางคนน่ารักเด๋ยวตากลมเนี่ยเด็กๆ ก, ก็ชอบเข้าหาพระท่านใจดีคือท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าคนแก่ๆเป็นคนดุเจ้ารมเนี่ย ไม่มีใครอยากเขาใกล้ก็ไม่มีใครช่วยเพราะงั้นความดีฝาไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองเราทําดีคนก็ช่วยเราทําไม่ดีคนก็รังเกียจอันนี้ก็เป็นกรรมคือความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันช่วยได้ทําให้เรารู้จักตัวเองรู้จักปล่อยรู้จักวางว่าเรายึดอะไรไว้พอเราปล่อยวางได้เมื่อไหร่ชีวิตเราก็มีความสุขขึ้นมีความทุกข์น้อยลงถ้าคนปล่อยวางไม่เป็นมีแต่แบกหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเจอปัญหาอะไรก็หนัก นักอย่างเดียวเลยคือไม่สามารถปลดปล่อยได้เหมือนกับน้ำน้ำที่อยู่ในในแก้วเนี่ยโยมเอาเกลือเติมลงไปก็เค็มละแค่ช้อนเดียวแหละแต่น้ำที่อยู่ในบอ่อมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นก็เราใส่ปริมาณเกลือให้มากขึ้นเหนือเค็มแต่ถ้าเติมน้ำลงไปในในสระหรือในคลองใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยหรือหมาเน่าก็ได้พูดถึงหมาเน่าตัวหนึงมันก็พัดผ่านไป คือกระทบน้อยพรากคนเราอยู่ในโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริอมมีดินทาอันนี้ต้องประสบทุกคนอย่างเทเจจาริสานพูดไม่เจ็นเนี่ยไม่มีใครไม่โดนนะต่อให้เราทําดีขนาดไหนคนไม่ชอบมันก็ดินทาคนที่ไม่มีไม่โดนดินทาไม่มีในโลกอย่างสูนทอนผู้แต่งกอนไว้อันินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ำเหมือนรอยมีดที่กีดหินแม้องค์ปริมาอย่างลาหิน คนเดินดินเหลือสิ้นคำดินทาอันนี้โดนทุกคนฮะคำดินทาเพราะเราเองทำายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วคนอื่นจะเข้าใจเราได้ยังไงสิ่งเราทำได้ก็คือวางใจให้เป็นอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สําคัญถ้าเราจะวางใจกับสิ่งนั้นอย่างไรอันนี้จำจากอาจารย์เปี่ยศอาจารย์เปี่ยศพูดบ่อยอันนี้ก็ใช้พวกญาติโยมได้อย่างมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึงอยู่จังหวัดอุดรชีวิตของท่านมีความสุขทั้งชีวิตเลย ท่านมองโลกในแง่ดีใครๆก็ขนานฉายาท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะคือท่านไม่ไม่คิดเรื่องที่จะทําให้ตัวเองทุกข์คือเปลี่ยนเปลี่ยนหอกให้เป็นดอกไม้มีเรื่องเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์พาท่านไปฉันเพนและให้เทศที่บ้านงานลูกศิษย์ก็มาช้าเหลือเกินรถเสียหลวงพ่อตอนแรกตั้งใจจะไปฉันอาหารที่บ้านงานรู้ว่ารอนานก็ฉันอาหารก็เราก็ดีเนาะ ท่านก็นําอาหารที่บินรบาดมาฉันฉันไม่ได้ไม่กี่คํารู้สิกย์ก็มารับบ้านอยู่ไกลท่านก็ต้องรีบท่านก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดแล้วบอกไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะรถวิ่งไปได้สักพักหนึ่งรถก็เสียอีกหลวงพ่อท่านก็บอกก็ดีเนาะจะได้ชมอยู่ข้างทางคนขับซ่อมรถก็ยังไม่ติดจึงวานให้หลวงพ่อมาช่วยเข็นหลวงพ่อก็แก่มากแล้ว หลวงพ่อก็ช่วยเข็นแล้วหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะจะได้ออกกอลังกายก็เข็นจนรถติดอะไปถึงบ้านงานก็เลยเพนหลวงพ่อเลยอดฉันเลยไปถึงเขาก็นิมนต์ขึ้นทําบ้านเทศหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทาหน้าที่ลูกศิษย์เป็นห่วงหลวงพ่อรีบชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนจึงหยิบเกลือใส่แทนน้าตาลเพราะมันอยู่ ใ, ใกล้กันแหละกระปุกสีขาวเหมือนกันหลวงพ่อฉันกาแฟไป ก็ไม่ว่าอะไรเฉยๆระหว่างแก้วไว้คืนแก้วลูกศิษย์มาขอรับประทานต่อพระเถระเป็นมงคลลูกศิษย์ทานกาแฟไปได้หน่อยหนึ่งก็พ่นพูดออกมาเลยบอกหลวงพ่อฉันไม่ได้ไงเนี่ยเข็มบิดปี๋เลยหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะทานกาแฟหวานๆม า, มากแล้วเปลี่ยนมาทานเค็มๆบ้างท่านจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งมาที่หัวลาโพงแล้วมาไม่ทนัน รถไฟออกก่อนท่านบอกก็ดีเนาะจะได้อยู่กรุงเทพอีกวันหนึ่งวันลุ่งขึ้นมานั่งรถไฟทันท่านก็บอกก็ดีเนาะจะได้กลับวัดเราเรื่องที่คนเล่าขานกันมากก็คือวันหนึ่งโจรคิดว่าหลวงพ่อรวยก็ระวังแผนมาป้นถือปืนขึ้นมาเลยมาถึงก็ค่มครูบอกหลวงพ่อของมีค่าส่งไปหมดหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มแลวบอก ก็ดีเนาะเองเขาไปก็ดีค่าเบื่อเฝ้าสมบัติพ้นที่เต็มทีละจะได้อิสระดีโจรมันก็คมผู่ต่อบอกค่าเนี่ยไม่ได้แค่จะปล้นทั้งฆ่าหลวงพ่อด้วยเดี๋ยวไปบอกตํารวจขึ้นมายุ่งเลยหลวงพ่อบอกค่าก็ดีเนาะค่าน่ยแก่แล้วเบื่อต้องมาดูแลสังขารที่แก่ชราเต็มทีโจรได้ยินอย่างนั้นก็เกิดใจอ่อนก็เลยบอกถ้างั้นค่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้ หลวงพ่อก็บอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็ข้องใจจึงถามว่าหลวงพ่อจะเอาไงกันแน่ฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีหลวงพ่อก็ตอบแบบยิ้มแย้มแจ่สายว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยตำรวจก็ต้องตามจับเองเพอเพอแฆ่าเองทิ้งก็ได้หรือไม่เองก็ต้องติดคุกถ้าเองตายไปเองก็ต้องตกระลกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าจึงดีดีเนาะโจรได้ยินเรงนั้นก็เกิดความสำนึกผิด ก็เลยไม่ป้นแล้วก็ไม่ฆ่าแล้วก็จากไว้ด้วยดีอันนี้เป็นการวางใจของหลวงพ่อดีเนาะถึงมีท่านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเผื่อโจล์มานี่ก็บางคนกลัวจะเยี่ยวแตกก็มีบางคนสู้ด้วยโดนโจล์ฆ่าตายก็มีเพราะเพราะลึกๆแล้วคนเราจะหวงของแต่ถ้าเราไม่หวงปุ๊บยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ยิ่งอยากเราก็ยิ่งไม่ได้อันนี้เป็นสัจธรรมของโลก ามาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาคนยุติแค่นี้ขอญาติธรรมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดที่ถูกต้องก็ขอให้สมปรารถนาเอวัง